เช้านี้ก็มีพิธีอุปสมบทนะเรียกว่าบวชพระการบวชนะพิธีเนี่ยนะที่จริงก็เริ่มต้นก่อนที่จะมีการอุปสมบทละเ <c oughs> มื่อช้านี้ก็เริ่มต้นด้วยการปรงผมนะโกนหัวอาการโกนหัวนี่ก็เป็น เป็นลักษณะที่โดดเด่นนะของพระภิสุหรือว่าผู้บวชในพุทธศาสนาอันนี้ก็รวมถึงแม่ชีด้วยนะแล้วก็สมัยนี้ก็มีภิกษุณีการบวช ด, ด้วยการเริ่มต้นในการปลงผมนี่ก็เป็นเอกลักษณ์นะของพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วในสายพุทธกาลนี่มีนักบวชเยอะนะหลายรัฐที่หลายนิกายนะ แต่ว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยไม่โกนหัวนะไว้ผมแล้วก็ไว้ผมยาวด้วยอย่างพวกพราหม์พวกฤษีชีไพรพวกโยคีจนทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีหนวดเครายาวผมก็ยาวแต่พุทธศาสนานี่พิเศษนะคือว่ามีการโกนหัว แต่ว่าก็มีอีกนิกายมีอีกศาสนาหนึ่งนะที่ผู้บวช น, นี่ก็จะโกนหัวเหมือนกันนะก็คือศาสนาเชนศาสนาเชนนี่ก็เรียกว่าเจริญเติบโตนะมาคู่กับพุทธศาสนาก็ว่าได้พระมหาวีราซึ่อเป็นศาสดาของศาสนาเชนก็อยู่ร่วมสมัยเดียวกับพุทธเจ้าแต่ว่าการโกนเขาแปลกนะ เขาไม่ใช้มีดนะเขาใช้วิธีถอนผมถอนขนถอนทีละเส้นนะเรานึกภาพนะถอนเนี่ยทีแรกเนี่ยใครคนอื่นถอนก่อนนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะถอนทีละเส้นทีละเส้นคิดดูนะ ก, กว่าจะหมดหัวนี่ใช้เวลาเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะต้องถอนเองนะ ของนี้หนักเข้าไปใหญ่เป็นการบําเพ็ญขันติบารมีมากกว่าจะหมดทั้งหัวนี้ก็เลือดนะก็เต็มนะอันนี้เขาต้องอาพจน์ความจริงใจนะความตั้งมั่นความศรัทธาแล้วก็ต้องการนะฝึกความเข้มแข็งในจิตใจเพราะว่าพอบวดแล้วเนี่ยจะต้องเจออะไรามากมายที่ต้องใช้ความเพียร พิธีบวชเขานี่ใหญ่โตมากนะอย่างเช่นถ้าบวชพระเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่พอมีอายุแล้วนะธรรมเนียมเขานี่ก็าจะไม่บวชเหมือนเรานะของเราี่หนุ่มสาวก็บวชกันแล้วแต่ของเขานี่ส่วนใหญ่ก็จะ อ, อยู่จนประสบความสาเร็จในชีวิตละอายุห0สิบ้างหกสิบบ้างนะผู้ชายนะถึงจะบวช แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่นับถือศาสนาเชนนีเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าร่ำรวยมากพิธีบวชนี่ก็เจ้าก็จะมีงานเลี้ยงนะเสร็จแล้วก็มีการแจกมีการบริจาคเงินแล้วก็สละทรัพย์สมบัติจนหมดนะผู้บวชนี่จะต้องสละจนไม่เหลือเลยเขาเคยมีการทำข่าวนะเศรษฐีคนหนึ่งนะในอินเดียเขาจะเขาจะบวชเขา สละทุกอย่างเลยแจกหมดนะไม่ได้แจกไม่ได้ทิ้งมันเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะอย่างเดียวนะแต่ว่าแจกให้คนทั้งหลายทั้งปวงด้วยจนไม่เหลืออเลยเลยนะแล้วเขาก็จะมีแต่แค่เนื้อตัวอาจจะมีแค่เสื้อผ้าง่ายๆสีขาวนะแล้วก็เดินเดินไปสู่สานักหรือแม้ก็ะจาริกไปตามที่ต่างๆ อันนี้เรียกว่าเข้าใจถึงนะักกว่ า, าบวชพระในพุทธศาสนานะพระบวชพระเนี่ยไมไ่ถึงกับต้องจะละทิ้งทรัพย์สมบัติมากมายหรือว่าทั้งเนื้อทั้งตัวโดยเพราะในเมืองไทยเนี่ยพะเราบวชชั่วคราวก็เยอะบวชแล้วก็กลับมาใหม่นี่ทรัพย์สมบัติที่มีจะเป็นโทรศัพท์รถยนต์แกะแหวนเงินทองเงินเดโมเชีธนาคารยังเก็บไว้ ก็มีบ้างนะที่สละนะแต่ว่าก็ไม่ไม่มีพิธีสละให้เห็นชัดส่วนใหญ่ก็ทำกันเงียบๆนะถ้าจะสละนะมีเหมือนกันนะประเภทที่ศรัทธามากก็ทิ้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเงินทองในธนาคารก็โอนให้พ่อแม่หรือว่าภรรยาแต่ว่าทำกันแบบไม่เป็นสาธารณะแต่ของเขานี่ททำเป็นสาธารณะเลยนะเพื่อแสดงว่าไม่เอาอะไรเลยจริงๆ แล้วก็จากเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนี่ก็เหลือแค่เนื้อแค่ตัวบางคนนี่ศรัทธามากนะ <c oughs> อยู่ในนิกายที่คำพรที่คำพรนี่แปลว่านึ่งลม่มฟ้า <c oughs> ก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะแ <c oughs> ม้กระทั่งเสื้อผ้าก็ไม่มีนะ <c oughs> เดินตัวเปล่าเนี่ยจากคนที่อยู่ท่ามกลางทรัพย์สินเงินทองอยู่ปราสาทอยู่คฤหาสน์นะสวมเพชรนะสวมแก้วแหวนเงินทอง ทิ้งหมดเลยนะแล้วก็เข้าป่าหรือไม่ก็ไปอยู่สำนักนะที่มีความเคร่งผู้หญิงก็เหมือนกันนะเมื่อเร็วๆนี้ก็มนะีผู้หญิงซึ่งก็เรียกว่าการศึกษาก็สูงนะอย่างสาวก็ศรัทธาในศาสนาเชนก็ออกบวนนะแต่กว่าจะบวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ก, ก็ต้องฝึกนะเป็นภาคขาวอยู่ และขั้นตอนแรกนะก็คือการถอนผมนี่แหละการถอนผมทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยโหผู้หญิงนี่ทนมากเลยแล้วพอเป็นผ้าขาวได้สักพักนะสามสี่เดือนหรือว่าบางทีเป็นปีนะเขาก็จะออกบวชตัดสินใจบวชก็มีการสอบถามแล้วสอบถามอีว่าแน่ใจนะพอบวชนี่นะเขาจะมีพิธีนะให้ผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวสวยงามเลยมีเพชรนินจินดา ม, มากมาย คนอินเดียเนี่ยชอบทองอยู่แล้วนะทองนี่เขานิยมมากก็จะใส่กําไรนะกำไรทองสายสร้อยทองนะกำไรนี่ทั้งข้อมือข้อเท้าเรียกว่าเต็มทั้งตัวเลยแล้วก็นั่งรถม้าไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็มีการเลี้ยงมีการบริจาคเงินทํามีอยู่หลายวันนะเป็นอาทิตย์นะบางทีเนี่ยเป็นสองอาทิตย์ก็มี ถือเป็นเรื่องการบริจาคทานนะไม่ใช่เป็นงานเลี้ยงแบบหาความบันเทิงเริลงล ộ แบบบ้านเราของเราบ้านเราในส่วนใหญ่หมดเงินไปกับเรื่องอใช้หนังกลางแปลงบ้าง ม, งมหรสศพนะแต่ของเขานี่เอาไว้เลี้ยงเอาไว้แจกเสร็จแล้วพอถึงวันบวช น, นะก็ถอดหมดเลยนะก็คงเหลือแต่ผ้าขาวแล้วก็อําลาพ่อแม่จะ ม, มีการกลับไปหาพ่อแม่ นะไม่มีการกลับไปบ้านอีกนี่เขาทำจริงจังมากนะจนถึงวันนี้ก็ยังทำนะอันนี้ก็เรียกว่าความศรัทธาของเขานี่เรียกว่าเต็มร้อยหรือเกินร้อยเลยแต่ว่าคนจะศรัทธาแบบนี้ได้ก็มีน้อยนะเพราะฉะนั้นนักบวชเขาไม่มีมากแล้วก็การการอยู่นะก็ในเรื่องพิขาจารย์ก็คื อ, อบินธบาตอย่างเดียวนะ ประเภกินตามล้านนี่ยากนะยากนิมนต์ไปฉันตามล้า น, นี่ก็ยากนะแล้ววันดีคืนนี้ต้องการปฏิบัติธรรมขั้นสูงนะก็จะบำเพ็ญธรรมที่เรียกว่าสันเลขธรรมสันเลขธรรมนี่ในพุทธศาสนาก็มีนะแปลว่าขูดกิเลสนะขัดเก่ากิเลสแต่ของเขาเนี่ยมันหมายถึงการอดอาหารจนตายนะการอดอาหารจนตาย และการสอนอาหารเนี่ยนะเขาก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากครูบาอาจารย์นะว่าเออคนนี้มีความเพียรสามารถที่จะบำเพ็ญสันเลขธรรมได้อันนี้ถือเป็นการปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่มากนะศา ส, สดา ข, ของเขาหลายคนนี่ก็บำเพ็ญนะสันเลขธรรมแบบนี้จนตายอย่างปู่พระเจ้าอาโศกเนี่ยนะเป็นกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์มีอานาจมากนะและตอนหลังนี่ก็ รู้สึกสำนึกผิดนะในในบาปกรรมที่ทำไว้นะฆ่าคนมากมายในการทำศึกสงครามและพอบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้งเกิดทุกข์พิภพไพรเนี่ยก็คิดว่าเป็นเพราะกรรมที่ตัองทำไว้วิธีที่จะชดใช้กรรมก็คือออกบวชแล้วก็ออกบวชอย่างที่ว่านะคือว่าไม่เหลืออะไรเลยนะมีแค่เสื้อผ้าแล้วไม่รู้ว่าเสื้อผ้าตอนหลังก็จะถอดทิ้งหรือเปล่า เดินเข้าป่าไปเลยนะไม่มีองครักษ์ไม่มีอะไรทั้งสิน้นแล้วตอนหลังเนี่ยก็ก็ใช้วิธีเนี่ยปฏิบัติธรรมขั้นสูงนะก็คืออดอาหารจนตายนะก็เป็นที่ยกย่องสรรเสริญเคารพ บ, บูชามากนะอย่างล่าสุดเมื่อนะไม่กี่ปีมานี้ก็มีน ะ, ะแม่ชีแต่ถ้าปเป็นนักบวชแบบพิสูณนีก็ได้นะ ก็อดทอาหารจนตายเวลาจะอดทอาหารนี่เขาก็มีวิธีการนะค่อยๆลดทีลนิตเทเลนิตนะอาหารเนื้อที่เขาข า, ขาไม่กินอยู่แล้วนะเพราะว่าพวกเชนนี่เป็นพวกที่เคร่งคัดเรื่องการไม่เบียดเบียนมากเวลาจะเดินไปไหนเนี่ยนะก็ต้องมีมีคล้ายๆเป็นไม้กวาดจะคอยปัดทางเพราะว่าอาจจะกลัวว่าจะเหยียบแมลงนะนะ ปัดทางตลอดเวลาเลยนะเวลาจะกินอาหารเนี่ยก็ต้องดูนะแต่ละแต่ละแต่ละแต่ละช้อนแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยมีแมลงหรือเปล่าถ้ามีแมลงอย่างเช่นพวกพวกหมอดนะก็ไม่กินเลยนะทั้งจานนี้เลิกกินเลยแล้วเวลากินก็กินนิดเดียวนะเรียกว่าเป็นผู้ที่บําเพ็ญเพียรอย่างหนักนะนัก บ, บวชแบบพุทธนี่เราสํานักปัป่าที่เราว่าเคร่งและเคร่งนะพอเจอ สำนักของพวกเชนนี้เรียกว่าชิดซ้ายไปเลยนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าการเคร่งมากๆนี่ดีนะอันนี้ตั้งใจจะพูดว่าเขามีความเคร่งแบบไหนนะเรื่องเนื้อสัตว์นี่เขาไม่กินอยู่แล้วนะเรื่องข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์เรานี่หลายอย่างก็คล้ายกับเชนนะเช่นมีข้อกำหนดว่าถ้ารว่วน้ำมีตัวสัตว์นะและกินน้ำนั้นเนี่ยก็เป็นอาบัติน้ามีตัวสัตว์เช่นมแมลงเนี่ยหรือว่า เอาน้ำมีตัวสัตว์ลดย่าหรือดินเนี่ยก็อาบัดนะเนี่ยของเชนเขาเข้าแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าของเขาเนี่ไปไกลกว่านะเคร่งกว่าอีกมากมายอันนี้พอจะอดอาหารเนี่ยเขาขาดค่อยๆงดทีละอย่างทีละอย่างนะแล้วก็ค่อยตายทีละน้อยทีละน้อยโดยมีคนดูแลคนที่ดูแลก็ทําหน้าที่เป็นอุปถากนะช่วยให้สามารถจะบําเพ็ญธรรมขั้นสูงขั้นอุกฤตรนี่จนตายได้ คนที่ดูแลนี่ก็เข้มแข็งนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นเพื่อนกั น, นก็ดูแลจนนั่งเห็นค่อยๆค่อยๆหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็สุดท้ายก็หมดลมอันนี้เป็นการาปฏิบัติธรรมขั้นสูงนะแต่ทางพุทธศาสนารเราไม่มีการปฏิบัติแบบนี้นะการกินอาหารก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะถือว่าเป็นปัจจัยสี่ แต่แทนที่จะอดอาหารนะเราก็จะเน้นเรื่องการพิจารณาอาหารมากกว่าก็คือว่าเวลากินอาหารแล้วก็พิจารณาที่เรียกว่าปัจจเวกนะก่อนพัชชันนี่ก็จะสวดเป็นภาษาบาลีนะัเรียกว่าการพิจารณาอาหารนะพิจารณ า, า, ารว่าเรากินเพื่ออะไรนะไม่ได้กินเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ได้กินเพื่อรสชาติความอ ร, อร่อยไม่ใช่เพื่อกินเพื่ อ, อรักษาสุดทรง นะหรือว่าเพื่ออวดฐานะว่าร่ำรวยแต่ว่ากินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อลดทุกขเวทนาเก่าและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อเกื้อกูลแต่การประพฤติพรหมจรรย์ก็คือเพื่อให้ร่างกายนี้มีชีวิตอยู่ได้ในการทำความดีทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านผู้งายคือกินด้วยสตินะไม่ใช่ว่าไม่กินเลย แต่ก็มีบางท่านนะก็ไม่กินอาหารโอดอาหารอันนี้ก็พราะต้องการมุ่งปฏิบัตินะแล้วก็อาจจะเน้นสมาธิด้วยคือเน้นสมถะพอไม่กินอาหารแล้วใจฝนฟุ้งซ่านน้อยราคามารบกวนน้อยนะก็ทําให้การปฏิบัติได้ดีแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมากินนะกลัมาฉันอันนี้ก็เล่านะความแตกต่างระหว่างนักบวชพุทธกับนักบวชเชนเนี่ยหลายอย่างเหมือนกันนะคำสอนหลายอย่าง ค, คล้ายคกันเช่นการไม่เบียดเบียนอหิษยาการโกนผม ก้นหัวนะแต่ว่าพอดูรายละเอียดนี่เรียกว่าแตกต่างกันมากนะแล้วก็เตรียมรับพร